พระกวัตโตละหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวัตโตละหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวัตโตละหะโตสัมมาสัมพุทธสะวยะธรรมมาสังขาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะอายังตถาคตสสะปชิมาวาจาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทําความไม่อามาัดให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็มาร่วมงานชารรกิจศพของคุณพ่อเคงชุมผางผู้วายชนอายุได้8ปบปีอายุ8ปบปีก็ถือว่าท่านก็อยู่ได้นานเพราะเดี๋ยวนี้จะหาคนอยู่ถึง80สนะิบน่ะยากแล้ว มีน้อยแล้วเพราะโดยเฉลี่ยคนเราเนี่ยอายุเทียบคำนวณ น, น่ยประมาณเจดบห้าปีขาดเกินนิดหน่อยเจ็ิหปีถ้าคิดเป็นวันเนี่ยนับเป็นวันก็จะประมาณ273หมเจห้าวันอันนี้จะไม่เยอะเลยแต่บางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงอาจจะตายได้อย่างเด็กบางคนตายตั้งแต่ตอนวัยรุ่นตอนหนุ่มสาววัยกลางคนจะรอดไปถึง สูงอายุถึง80ได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์ชีวิตมากจะต้องดูแลสุขภาพดีแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยไม่มากั้กายสมัยนี้เราประมาทไม่ได้เลยเรื่องอายุปีนี้เป็นปีที่มีคนมีชื่อเสียงได้ตายมากมายเลยองค์ในหลวงก็สวรรคตในปีนี้คนดังอย่างบรรหารศิลปะอัจฉะก็ตายในปีนี้แล้วก็ดารานหนัง ดังๆหลายคนก็ตายในปีนี้มูหมัมมัดอาลีนะพวกโยก็คงรู้จักก็ตายในปีนี้เพิ่งตายไปไม่กี่วันก็นักร้องชื่อดังสันติดวงสว่างก็เพิ่งตายไปอายุแค่สี่แเองสันติดวงสว่างอัลมาเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักก็มีเพลงดังอยู่หลายเพลงเพลงจูบไม่หวานถอนคำสาบานนี่ยก็คืออายุคนเราเนี่ยไม่แน่สันติดวงสว่างเนี่ยเป็นบาหวานแล้วก็เป็นความดันลอยสูง จนทําให้เส้นโลหิตในสมองแตกอย่างพวกเรามางานศพเนี่ยเราก็ได้เห็นคามจริงของชีวิตโดยเอาพ่อเคนคมาเป็นครูก็ได้ว่าสักวันนึงเนี่ยเราต้องตายเหมือนท่านตอนนี้เรามีชีวิตอยู่แต่บูญเนี่ยเราต้องทำมาเองนะเพราะว่าเราจะหวังให้พระมาสวดหรือคู่ถึงทำแท น, นไม่ได้หรอกเพราะงานศพเนี่ยประโยชน์ของคนเป็นมากกว่าคนตายนะเพราะคนตายไม่รู้เรื่องแล้วประโยชน์แต่ส่วนมากจะเกิดกับคนที่เป็น ได้ไม่ประมาทได้ทําความดีพระบุตรเจ้าเนี่ยเปรียบคนเราเหมือนกับม้าสี่ประเภทประเภทแรกแค่เห็นเงาเงาปะตักเนี่ยก็รีบทำตามเจ้าของทันทีเลยก็คือได้ยินข่าวว่ามีคนตายที่ไหนมีคนเจ็บเจ็บหรือบัติเหตุที่ไหนเนี่ยเราก็มาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้สวรรค์จะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราต้องไม่ประมาทต้องรีบทําความดีม้าประเภทที่สอง ต้องโดนประตักสกิบผิวหนังถึงจะทําตามเจ้าของก็คือประเภทแรกเนี่ยได้ยินข่าวลือแต่ประเภทสองได้เห็นด้วยตาตัวเองไงประเภทรถวิ่งไปเนี่ยแล้วเห็นรถชนกันอยู่ข้างล่างเนี่ยไปดูศพอะไรเงี้ยเห็นกับตาตัวเองอะ่ะหรือมือไปจับต้องตัวศพเลยหรือเห็นคนตายเห็นคนป่วยบาดเจ็บกับตาตัวเองเนี่ยถึงจะมาพิจารณาว่าสักวันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องไม่อามากต้องทำความดีมาพิธีสามจะต้องถูกประตักแทงไปที่เนื้อแทงลึกลงไปอีกหน่อยประเภทนี้ก็คือจะต้องคนที่เรารู้จักใกล้ตัวไมวาจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเพื่อสนสนิทอย่างเงี้ยตายหรือเกิอดอุบัติเหตุเนี่ยเราถึงจะสลดใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทาความดีพรสวรรค์จะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ ประเภทที่4เป็นม้าที่ดื้อหน่อยจะต้องถูกว่าตักแทงเข้าไปถึงกระดูกถึงจะรู้สึกตัวและทำตามเจ้าของประเภทนี้ก็คือตัวเองเนี่ยป่วยนอนพังง้าบพั ง, งาบอาการหนักกินอาหารก็ไม่ค่อยได้อยู่ห้อง ICU ทําทองอนนีนน้ถึงจะเริ่มรู้สึกตัวว่าเราจะต้องทำาฟามดีเพราะครามตายใกล้มาทุกขณะแล้ว ประเภทในรู้สัมนิชชาไปประเภทไม่เห็นลงศพไปหลังน้ําตาจะมีเยอะคือคนที่ประมากกคือคนกินเหล้าไม่กินเหล้าก็เอาเวลาเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตหันหาใบมุกไปเล่นการพา น, านันไปเที่ยวในสถานที่ยโครจรใช้ชีวิตที่มัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยคือคนประเภทนี้นผู้ยมก็สามารถเช็คได้ว่าเราเนี่ยเป็นม้าสี่ประเภทเนี่ยเราเป็นคนประเภทไหนแค่ได้ยินข่าวเราก็เราก็สัมนึก รู้สํานึกแล้วหรือต้องเห็นกับตาหรือต้องญาติพี่น้องสูญเสียหรือต้องเกิดกับตัวเองชีวิตคนเราจะผ่านไปได้เลยมันมีสิ่งที่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจเรามาอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งเรื่องอายุสองความเจ็บไข้อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยวันนี้เราอย่งสุขภาพแข็งแรงแต่ต่อไปไม่แน่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะชาหน้าไหนจะมาก่อนก็ได้บางทีบางคนเนี่ยนอนไปพรุ่งนี้อากายเป็นชาหน้าเลยก็มี อะไรก็ไม่แน่นอนถ้าร่างกายมันหยุดหายใจแล้วก็ตายอ่ะแล้วสาก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาใดเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนอันนี้ไม่มีใครรู้ได้ 4. ก็คือไม่รู้ว่าตายที่ไหนตายในบ้านตายนอกบ้านตายต่างประเทศตายในน้ําตายทะเลตายบนภูเขาไม่มีใครรู้อันนี้5เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนแล้วก็ตายไปตามนิฐานกรรมอ่ะ คืออันนี้เราต้องเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไว้ก่อนถ้าเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเลยเราก็ไม่ประมาทแล้วก็หมั่นทำทำความดีเไว้เป็นทะเบียงพรว่ตอนตายเนี่ยสิ่งที่เราทําบ่อยๆเนี่ยมันจะให้ผลไงสมมุติถ้าเราทําบุญบ่อยๆขาะที่ตายจิตก็ไปนึกถึงเวลาเราใส่บาทพระอันนี้เราไปสุคติได้นะนะแต่ที่เราถ้าเราฆ่าสัตว์ชีวิตทุบปลาเชือดคอหมูปาดคอไก่เงี้ย หรือแม้ก็ด่าครู้คนด่าคนนี้คิดเรื่องร้าๆตายไปมันก็มันก็เป็นนิมิตที่ร้ายนะนิมิตสัตว์ที่เราเบียดเบียนน่ยมันจะปรากฏขึ้นเลยทำว่าเราเนี่ยตายด้วยความทรมานจิตเราก็าไปทุกขกติได้แล้วเรื่องกรรมเราจะประมาทร้องทําดีไว้ก่อนถ้าเราประม า, เาทนมาเนี่ยมันก็สายไปแล้วแก้ไขอะไรไปได้เลยอย่าพวกโยมมาฟังธรรมจากอ ร, รมาเนี่ยก็ได้ประโยชน์เพราะตอนนี้โยมยังมีชีวิตยอยู่คนตายก็ฟังไม่ได้แล้ว ประโยชน์ก็ไม่มีจะเป็นสารเคยเขียนไว้ในหนังสือนะบอกว่าถ้าเราจะไม่มาหมาในชีวิตเนี่ยเราจ้องปฏิบัติตัวอยู่4อย่างคือหนึ่งจะต้องทำความดีอยู่เสมอความดีก็คือการให้ทานรักษาศีลกับภาวนาเนี่ยทบ่อยๆเพราะนี้จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราไปทุกขติได้ทำให้เราเนี่ยตอนที่จะไม่ตายเนี่ยก็มีความสุขไงไม่ต้องพึ่งวัตถุมากข้อที่สองก็คือ เราต้องหมั่นพิจารณาความตายเดืองเนืองหรือเจริญมานานรู้สติพอถลเอิเกิดเราไม่เจริญมานานรู้สตินะเกิดความตายมาจริงๆเนี่ยใจมันไม่ยอมรับหรอกเพราะลึกๆแล้วคนเราจะรักสุขเกียดทุกข์มันจะผักสาไงรับไม่ได้อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่ามีนางกีสาโพรมีลูกยังยังเล็กอยู่เลยกําลังน่ารักเลยแล้วก็ตายพอตายไปเนี่ย นางก็รู้สึกไม่ยอมรับนะคนจะมาเอาไปเผานางก็ไม่ยอมบอกว่าลูกนางยังไม่ตายแล้วนางก็เที่ยวเดินเนี่ยอุ้มลูกไปทั่ว ห, หมดไปขอยากับคนนู้นคนนี้ให้ช่วยรักษาให้คือใจปฏิเสธไม่ยอมรับความตายของลูกไนงะจนมีลุงอยู่คนนึงอะ่ะแนะนําให้ไปหาพู้ดูแลเอาพู้ดูแลเนี่ยมียารักษานางก็ไปเฝ้าผู้ดูแลอุ้มลูกไปด้วยแหละ ลูกนางก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยาแนาวแหละเพราะเพราะว่าตายไปหลายวันแล้วแต่นางปักใจเชื่อว่าลูกนางยังไม่ตายไงมียาทาให้ฟืน้นพระพุทธเจ้าก็บอกมีทางรักษาแต่ให้นางเนี่ยไปขอไม่ได้ไม่ได้ผักกาศเนี่ยจากบ้านที่ไม่มีคนตายเอามาหนึ่งกำมือนางก็ดีใจเห็นความหวังเพราะว่าไม่ได้ผักกาศเนี่ยที่อินเดียเนี่ยถือว่าหาง่ายมากเลยมีทุกบ้านนางก็ไปขอเขาก็ให้แล้วเขาไม่หวง แต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าบ้านนั้นจะต้องไม่มีคนตายขอบ้านไหนบ้านไหนก็มีคนตายหมดไม่พ่อตายแม่ตายพี่ตายลูกตายปู่ย่าตายยายตายไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายจนตอนหลังเนี่ยนางก็เกิดตาสว่างขึ้นมาเห็นสัจญาธรรมชีวิตว่าไม่มีใครไม่ตายทุกบ้านมีคนตายหมดจึงนำลูกไปฝังแล้วก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจนบรรลุบรรลุธรรมเลยแล้วก็บวชเป็นพิสูจน์เอันนี้ก็ความตายความสูญเสียพลิชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยให้บรรลุธรรมได้ออกจากความหลงได้อันนี้คือการพิจารณามโนรู้สติ บ, บ่อยๆและข้อที่สเราจะต้องใช้ชีวิตประจําวันด้วยใจที่ปล่อยวางข้อนี้ไม่รู้พวกโยมทําได้หรือเปล่าปล่อยวางนี่หมายถึงว่าปล่อยวางกับสิ่งที่เรารักนะยึดถือ บางทีมือถือหายทําเงินหายหรือของเจ๊งของพังอ่ะของที่เราชอบอ่ะเรื่องนี้ทายากมันพูดแต่พูดง่ายอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเราคงได้ยินข่าวดาราพิธีกรดีเจนอตอ่ ะ, อะที่ว่าโมโหแล้วก็ต่อยหน้าของชายหนุ่มชี่ขี่บอสไซที่ชื่อบอยอ่ะต่อยอย่างหลายทีแล้วบอกให้บากาบรถกูเนี่ยนอตกับรถกูเลยดังเลยอันนี้ทําเพราะว่าเขายึดบั่นถือมั่นว่ารถเนี่ย เขารักรักไปชีวิตจใจเลยไงมันก็เลยทําให้ขาดสติ mm. เผลอตัวลืมตนแต่ถ้าพวกโยมมีสตินะหรือเห็นความสูญเสียนะ่ะ mm. เหตุการณ์นี้จไม่เกิดขึ้นเลยเพราะรถวิ่งถนนมันต้องชนอยู่แล้วถ้าไม่ชนแล้วก็เราจอดไวอ้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตราบใดที่รถล้อวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยมีใครอยากชนเราหรอกนั้นของเหมือนกันของมันมันก็มีอายุอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเสียต้องซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปญาติพี่น้องลูกหลานแต่ละคนก็เป็นของไม่เที่ยง ถึงขเ ข, ข้าไปเขาเข้าไปเขามาเราก็ไม่ได้เชิญเข้ามาถึงเขาอยากไปเขาเข้าไปเพื่อนก็เหมือนกันไม่มีใครให้เป็นเป็นแรงใจเราหรอกเพราะงั้นอยู่ก็ต้องปล่อยวางแหะฝึกปล่อยวางกับชินประจําวันอะไรเกิดขึ้นก็ดีเนาะพูดได้บ่อยช่วยได้รออะไรนานก็ดีเนาะยุงกัดฝนตกฝนตกมากแดดร้อนแดดแรงอากาศหนาวมากดินฟ้าอากาศไม่ได้เ ป, ไป็นแรงใจเรา พระก็เหมือนกนารพระเทศอาจจะไม่ไม่ได้เป็นตังใจโยมก็ได้เพราะบางทีอารามาพูดไปเนี่ยาา บ, บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบถ้าเกิดโยมอย่างอารมาพูดโยมเบื่อโยมก็พูดว่ก็ดีนเนาะก็เดี๋ยวก็ฟังอารมาจนจบแล้วโยมก็ทนฟังก็แล้วกันไปเป็นมุมมองใหม่ๆการฟังธรรมก็ได้อดีตส่์ถ้าเราฟังเป็นแล้วเราก็ต้องปล่อยวางในชีวิตจำวันนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นน่ยมันไม่มีอะไรได้ ใ, ใจเราหรอกถ้าเราปล่อยวางปุ๊บเนี่ยการให้อาภัยก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ให้โกรธใครจริง กดแป๊บเดียวก็ลืมของหายของอะไรก็ไม่ติดใจชีเราก็ทุกน้อยลงแล้วขอ้ขอที่4ี่ข้อสำคัญเลยเราจะต้องเจริญสติเพราะถ้าเกิดโยมไม่เจริญสติไม่ฝึกสติเนี่ยตอนตายมันนึกไม่ได้นะกูสลนเนี่ยมันไปตายเป็ากหารมแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยฝึกสติเนี่ยมันจะมันจะไม่เผลอเข้าไปในความคิ่ปรุงแต่งนานหรือเผลอไปก็รู้ไงเพราะถ้าเกิดคนที่ตายเนี่ยไม่มีสตินะมันนึกถึงความดียากนะ ถ้าเรามีสติปุ๊บเราสามารถดึงความดีมาได้เลยดึงกุศลต่างๆที่เราเคยทาไว้มานึกนึกขึ้นมาได้ไงมันนึกได้ถ้าไม่มีมันนึกไม่ออกนะประเิอไปนึกถึงใครมาด่าเราเครียดอีกไปตายแล้วไปไม่ดีบางทีคาําด่าไม่กี่คำอ่ะทาให้เจ็บใจเล่นหรือคิดในเรื่องที่เราค้างขายใจอ่ะเราไม่ได้ปวดเปื้องอ่ะก็พาเราไปอาบายได้เลยแต่เรามีสติเนี่ยกระบวนการปล่อยวางจะเกิดขึ้นมันทําให้เราเริ่มทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกก็เหมือนอยืมเขาใช้อ่ะ ถึงข่าวไปก็ไปทิ้งให้กับโลกต่อไปไม่ใช่ของเราจริงเลยโลกเนี่ยเหมือนโรงแรมที่เราอาศัยพักช้างชั่วคราวค่าเช่าก็คือบุญกับบาปพอโยหมดบุญหมดบาปเจ้าของข้อแม่เราอยู่แล้วแหละเราอยากอยู่ข้อไล่อะเช็คเช็คเอาอันนี้เป็นธรรมดาเลยหมดหมดอายุแล้วต้องไปอยู่ไม่ได้ถ้าเรายอมรับตัวนี้ก่อนเน่ามตายมาคามัดภาคมาเนี่ยเราก็ไม่ให้เสียใจอะไรคือเรายอมรับแล้วอะ ความทุกข์ก็ไม่ค่อยมีแล้วอยู่อยู่ปัจจุบันก็อยู่แบบไม่ทุกข์ตายไปก็ตายไปดีได้ถ้าเราเจอสติทุกๆวันนะคนแก่บางคนเนี่ยอายุแปดสิบเก้าสิบเนี่ยถ้าไม่ไม่เจิอสติจะหลงแล้วบางทีกินข้าวแล้วก็บอกอยังไม่ได้กินก็มีทําอะไรไปแล้วบอกไม่ได้ทําก็มีเพราะว่าจะเหมือนเด็กแต่ละคนแก่คนใดมีสติเนะี่ยทาอะไรก็เรียบร้อยพูดอะไรก็ก็จำได้จําเรื่องที่พูดได้นะจําคนได้เคยพูดอะไรไว้ แต่บางคนจำไม่ได้จริงเพราะคนแก่เนี่ยร่างกายจะเสื่อมโทรมแล้วสมองสมองอะไรเงี้ยเซล์สมองต่างก็ตายไปเยอะอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตเลยอย่างหลวงพ่อพุทธาแต่งกรณไว้อะความเอยความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตายไม่ไ ห, นหน่ายหนีเพื่อความแก่ล่วงการมานานปีก็อมอกเวรคือหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆไม่ลําเอียงไม่ให้ใครหลีกเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านหญิงชาย รีบทําความดีก่อนตายให้มากเลยดั้นสิ่งเราต้องทำคือทําความดีนะทำความดีในที่นี้ทำความดีในชีวิตประจําวันอย่างความตายเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นเป็นอุปกรณ์บรรลุธรมได้อย่างสายพุทธกาลเนี่ยสันติมหาหมาดคือทําความดีไปชอบเนี่ยจนพระเจ้าประเทศติโกศนเนี่ยให้รางวัลพิเศษเลยให้ปกครองบ้านเมืองแทนเจวันสันติมหามาตเนี่ยก็ใช้ชีวิตเต็มที่เลยเจวันเนี่ย คือเป็นพระราชาไงก็กินเหล้าเขานาลีก็ให้ผู้หญิงเนี่ยร้องราทําเพลงปนเปื้อนทั้งกายกายก็กินเหล้าไงทั้งตาหูจมูกเอาหมดครบทุกอย่างจนถึงวันที่7เนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่บัฟฟ์หลําพักผอนไม่พอทนไม่ไหวก็เลยเป็นลมแล้วก็ตายต่อหน้าสันติมหาหมาดเนี่ยตอนนี้จากที่ที่ดีใจมีความสุขแล้วจิตมันพิกเลยล่ะกลายเป็นเศร้าโศกเสียใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิดเนี่ย เป็นสาเหตุให้ให้หนางรามต้องตายไงพอเศร้าโศกก็ไปหาผู้รู้เจ้าผู้รู้เจ้าก็พูดทําให้ฟังทําให้เนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมแล้วบรรลุพลาาระรหันขนาดที่ยังเป็นเป็นขี้เมาอยู่เลยตอนนั้นคือว่ายังไม่ได้บวชไมไ่อะไรหรอกถือศีลก็ไม่ได้ถือด้วยแล้วก็ตายวันนั้นด้วยนะเพราะบมดอายุไข่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงสายพุทธกาลที่เล่ากันมาว่ากายบรรลุธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับโยมไข่ก็ บ, บรรลุธรรมได้หมดอระโยมก็อย่าประมาทก็แล้วกันอาศัยความตาย ของพ่อเคนเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราเป็นลูกหลานแล้วก็ทําบุญเราลึกถึงบุญคุณของท่านถ้าเราไม่อมัดเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตในโลกเนี่ยอย่างมีความสุขคนอามาดก็ต้องอย่างอย่างน็อดกัดกูเนี่ยตอนนี้ยังเคลียรไ์ไม่หมดเลยอาจจะต้องติดคุกก็ดกได้เพราะความที่ไม่มีสติอารมณ์ชั่ววูบงั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราอนมามัเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาสุดท้ายนี้กขอให้ญาติโยมมีความสุข มีความเจริญธรรมยิย่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้